เจ้าๆอย่างนี้กใอยท่านทั้งหลายและนักปฏิบัติทั้งหลายจิตของท่านนั้นผ่านจากอสวากิเลตก็เกิดปัญญามามากแล้วจงตั้งจิตตั้งใจบำเพ็ญเพียรเพื่อจะประพฤติปฏิบัติ ฝึกตนของตัวเองให้พ้นจากอาสวะกิเลส ก, ก็คือสิ่งมัวหมองค่อยๆสูรลมหายใจลึกๆแล้วก็คลายลมหายใจออกให้ท้องแห้งเลย ค่อยๆดึงลมหายใจหายใจให้เป็นปกติสักสามครั้งแล้วก็คายหายใจเนี่ยค่อยๆปล่อยออกให้แหง้งสุดลมหายใจสักสามครั้งทำไมหลวงพ่อจึงบอกว่าให้เหล่านั้นสุดลมหายใจเข้าออกก็เพราะว่า เราฝึกสมาธิก็เกิดสติละเอียดอ่อนขึ้นมาลองรู้ความรู้สึกของความดีความชั่วในขณะที่เราฝึกสมาธินั้นเราไม่รู้เลยว่าจิตของเรานั้นได้ละเอียดลงขึ้นไปทุกทีบางท่านบางองนั้นอาจจะไม่เข้าใจว่า ทำไมขณะที่เราได้บำเพยนเพียนนั้นรู้สึกหายใจติดๆิขัดขัดบางองค์ก็บอกว่าในขณะที่เราบงเป็นเพียนก็รู้สึกว่าจิตของเรานั้นมันรู้สึกวูบเหมือนเราจะหลับเหมือนเราประครับประคองสติไม่ได้เหมือนเราเดินจากขึ้นที่สูงแล้วก็ ลงที่ต่ำมันวุบลงมาเหมือนเราสับประงกบางท่านก็หายใจติดติดขัดขัดบางท่านก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมเนอะจิตของเรานั้นทำไมมันอยู่เฉยมันดือ้อดึงมันรู้สึกว่า สมาธิของเรานั้นมันไม่ลดหน้าแล้วก็ไม่ถอยหลังมันนิ่งๆแต่ในขณะตั้งแต่วันแรก ท, แที่เราได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติแก่รมหายใจเราก็รู้สึกวันไหว ลมหายใจของเรานั้นเข้าออกยาวสั้นไม่เท่ากันจิตของเราที่ไม่เคยเป็นกุศลไม่เคยนิ่งไม่เคยบําเพ็ญเพียรภาวนาได้นานขนาดนี้รู้สึกปวดเมื่อยรู้สึกว่ามีอะไรมันตายโน่นตายนี่ รู้สึกว่านั่งแล้วมันก็นั่งไม่สนัดสูงบ้างต่าบ้างเกิดความลังเลเกิดความลำคาญจิตรู้สึกว่าฟันเฟือไม่ยอมนิ่งไม่ยอมสงบเสิยทีแต่เราได้ปฏิบัติมาหลายลาตปีแล้วเปรียบเสมือนดังองค์สมมาสัมพุทธเจ้าท่านกล่าวว่า จิตที่ถูกฝึกมาดีแล้วยอมมีความสงบมำเพ็ญเพียรุดหน้ายอมมีสติที่แข็งแรงกล้าที่จะชนะสภาวะจิตที่มันว้าวุ่นกระสับกระส่ายใจระหว่างกายกับจิต เมื่อเรารู้จักเหตุและผลและพิจารณาแล้วเราก็เข้าสมถะเลยสมถะก็คือการพิจารณากายในกายเราก็มองเห็นตัวเองก่อนอันดับแรกอย่างที่เคยถูกฝึกเห็นตัวเองนนั่งอยู่ค่อยๆนึกถึงหน้าเรา คอยนึกถึงตัวเราที่นั่งตั้งเด้อยู่เนี่ยพอนึกถึงหน้าเสร็จปุ๊บเราก็พิจารณาเลยเห็นตัวอานิจังเป็นของไม่เที่ยงเห็นเป็นนมแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตาย พิจารณาว่าคนหนุ่มเนี่ยคนสาวเนี่ยผิวพรรณเป่งตังสวยงามผู้ชายก็พิจารณาว่าตัวเองนั้นเป่งตังกำยำล่ำสันแข็งแรงมองเห็นตัวเองเนีตั้งอยู่เรียกว่าการพิจารณากายในกาย เมื่อเราพิจารณาในกายแล้วเห็นตัวเองตั้งแล้วเห็นหน้าตัวเองแล้วก็เห็นตัวอันนี้จังความเสื่อมสลายหัวก็งอตาก็โบหูก็เหยียวยน่นหนังที่เคยแต่งตึงก็เหยียวยน่นก็นึกถึงภาพคนแก่ เมื่อเรานึกถึงภาพคนแก่เราก็ค่อยๆปรุงว่าโอ้หนาหัวก็งอกหนังก็เหี่ยวฟันก็หักหนังก็เหี่ยวแห้งเห็นคนแก่ว่าหนังหุ้มกระดูกเลยเหมือนปรางที่พระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญเพียรอดอาหาร องเห็นตัวเองเนี่ยแห้งหนังมันติดกระโดกเลยว่าโอ้นอนี่เกิดเกิดขึ้นมาขนาดร่างกายเราเกิดขึ้นมาพยายามบำรุงปรุงแต่งทั้งหลายก็ไม่พ้นจากความแก่ชราความเสื่อมนั่นเองว่าเราพิจารณากายแล้วค่อยๆพิจารณากายลงไปอีกว่า เมื่อคนแก่เนี่ยก็เกิดเวทนาทางกายหลังก็คดคู่เก่ากระดูกทั้งหลายมันคอนไปหมดความรู้สึกที่เรากำยำลำสันแข็งแรงอยู่มันรู้สึกว่าเรานั้นอ่อนรา้ตาตาก็มองไม่เห็น หูกห็หูก็ไม่ค่อยได้ยินเค่อยมองไปฟันก็ค่อยคอยผุกก่อนหักไปขากันไกล ใ, ใบหน้าที่เราเคยสวยงามผัดแต่งขัดสีเฉวีวันก็กลายเป็นคนแก่ที่หนังเหี่ยวติดกระดูก ที่เคยแต่งตึงก็เหี่ยวยน่นไม่มีความงดงามน่าเกียดหน้าชังร่างกายเราเคยสวยผิวพรรณผ่องใสกำยำล่ําสันแข็งแรงก็กลายเป็นเหี่ยวย่นไปร่างกายเราก็เนรมิตนึกถึงไปเห็นคนแก่ชราดูหน้าเกียดหน้าชัง แก่ลงไปเรื่อยๆแก่ลงไปเรื่อยๆผิวก็เหี่ยวลงไปเหมือนกับหนังหุง้หงค่มกระดดกเรียกว่าเรียกว่าเรากำลังฝึกสมถะสมถะก็คือการพิจารณากายในกายกายในกายก็คือการพิจารณาตัวเอง เมื่อเห็นความเป็นอันนี้จังเป็นของไม่เที่ยงโอ้นเนาะรานี่ก็ไม่ต่างกับสัตว์ปลานเราจะนหน่งนีความตายความแก่ชรานั้นไม่พ้นในที่สุดร่างกายเราว่าแข็งแรงกินทุกสิ่งทุกอย่างอาบน้ําห่มผ้าพยายามทนุถนอมร่างกายของเรา ร่างกายเรานี่เหนี่ยวลังเอาไว้ไม่ได้มีส่วนประกอบก็คือดินน้ำลมไฟอากาศสาัตว์ที่เราได้อาศัยอยู่ร่างกายของเรานั้นก็อาศัยไว้ไม่ได้ตั้งอยู่ไม่ได้เสื่อมสลายเสีแล้วขณะคนแก่นี่หายใจเอาไปหล่อเลี้ยงร่างกายตัวเองแต่แท้ ยังเหนื่อยโดยการหายใจให้กับตัวเองยังเหนื่อยค่อยๆพิจารณาไปที่เราเห็นคนแก่หายใจขำแมวขำแมวดึงลมหายใจของตัวเองเนี่ยก็ไม่อิ่มรู้สึกว่ามันเหนื่อยยิ่งหายใจมันก็ยิ่งเหนื่อยตาที่เคยมองเห็นก็มองไม่เห็น อาหารที่เคยกินกัดได้แทะได้ทานอาหารได้มากมายรสจัดนั้นรสจัดนี้ฟันมันก็หักไปทีละซี่ละซี่ผมที่เคยดกงองดงามมันก็แข็งกระด้างงอกลงไปทุกทีทุกทีเรบที่เคยสวยงามมันก็แข็งกระด้าง จากที่เราไม่เคยเห็นกระดูกเราเลยเราก็เริ่มเห็นกระดูกเนี่ยโผล่ออกจากนอกเนื้อออกโถออกมาจากหนังเห็นคนแก่แล้วก็นึกถึงภาพสิโครงที่เราเห็นผีที่เขาห้อยไว้ตามรลกภาพต่างๆเมื่อเสื่อมสลายไปที่สุดเราก็เห็นว่าโอ้เนอะ เมื่อแก่แล้วก็ต้องมีความทุกข์เมื่อมีการเสื่อมเราก็เป็นทุกข์กว่าโอ้นาะเราจะต้องตายในถึงที่สุดหรือนี่ไม่มีสัตว์หรือว่ามนุษย์คนไหนที่กุไม่อยากอยากจะ ต, ะตายอยากตายวันตายพุง่ง เราก็ไม่ค่อยเห็นมีใครมาบอกเราว่าต้องตายอย่างนั้นตายอย่างนี้เมื่อเราเห็นตัวเสื่อมปุ๊บเราก็เกิดเวทนาทุกทางกายคนแก่ก็มักจะบน่นว่าเอ้ยเมื่อไรจะตายสักทีกินก็นน้อยนอนกันน้อยหายใจกัน้อยหลงน้อยหลงไป เราเห็นตัวในอนิจจังเสื่อมแล้วเราก็มรณานานสติเลยมรณานุสติก็นึกถึงความตายเป็นนิดพิจารณาความตายว่าโอ้เนาะท้ายสุดเดบานของเรากว้างสอกยาวาหรือนี่อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าเข้าตอกพระสติเอาไม้มาตอกๆสองสามแผ่นเนะ ตอกยาวอาตะโพนเหนียวรั้งไว้ตอกหน้าตอกหลังทำเป็นรูปลนะักษณะสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็กันน้ําเลือดน้าเหลืองกันสิ่งที่เน่าเหม็นชีวิตเราจะต้องอยู่ในบ้านหลังน้อยกว้างสอกยา ว, วามีหมอนเป็นหนึ่งใบมีพ้าห่มเป็นหนึ่งผืน เออก็โชคดีนะในขณะที่ตายกับเกิดคอยพิจารณาไปเมื่อเกิดเราก็ไม่มีเสื้อผ้าติดตัวมาเลยตอนตายที่เราร่ำรวยคิดว่าเราจะต้องเป็นบุคคลที่จะมี แ, แหวนเงินทองฟันก็หักหนังก็เหี่ยว ไปก็หมอนลูกเดียวประห่มผืนเดียวเสื้อผ้าเขาก็ใส่ไปให้หนึ่งชุดถุงนองรองเท้าเข็มขัดที่เราได้ใช้เป็นเครื่องอุ ป, ปโภคบริโภคเรียกว่าปัดใจสีก็มีหนึ่งเสื้อผ้าสองที่อยู่อาศัยที่เราเกิดมาเราก็ไม่มีติดตัวมาตอนไปเราก็มีไม้ไปหกแผ่นซ้าย3ามแผ่นขวาสามแผ่น ทางหน้าไม้สันจันเหมือนโรงผีนั่นแหละตอนมาเราก็ไม่มีอะไรติดตัวมาไปได้หมอนใบเสือ้อผืนปห้ห่มทับถมตัวไปเสื้อผ้าเอาพรถูตรงน้องรองเท้าเท่านั้นเราก็ไม่สามารถที่จะเอาลูกเอาเมียเอาผัวไปได้ เราก็ไม่สามารถที่จะเอาที่นาที่สวนรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เพชรนินจินดาเงินเป็นร้อยล้านพันล้านไปได้ได้แต่กระดาษเงินกระดาษทองได้ดอกบัวเป็นหนึ่งดอกโทบสามดอกเตียนหนึ่งดอกโอ้ n นอันนีจัง แมนมาก็ไม่มีอะไรติดตัวไปก็มี ม, ม, มีทรัพย์สมบัติอะไรไปสร้างบ้านหลังตั้งร้อยล้านพันล้านที่ไรทีนากวาจะหามาได้ใช้การเวลาการก็หมายถึงเหมือนต้นไม้ที่มันถูกการรอความเหี่ยวแห้งตายไปในที่สุดโอ้เนอทั้งสมเวตนาใจจริงนะัก มนุษย์เกิดมาแล้วก็จะต้องแก่แล้วก็จะต้องตายไปในที่สุดค่อยๆพิจารณามองหาเหตุหาผลตามที่หลวงพ่อบอกเรียกว่ามรณานุสติก็นึกถึงความตายเป็นนิสเมื่อตายลงไปแล้วเนี่ยเราก็เอาอะไรไปไม่ได้ก็เหลือแต่ความดีความชั่ว ประกอบกำลีมากนักลูกหลานก็รักญาติพี่น้องก็รักชาวบ้านชาวเมืองเพื่อนฝูงกระยานิมิตที่ดีต่อกันก็ระลึกนึกถึงก็มางานศพกันแห่กันไปรากกันไปจูงกันไปใส่รถกันไปไปถึงวัดตัวเองก็เดินไปไม่ได้ จังทู่เขารากเขาจงไปโอที่เรายึดมันยึดมันถือมันวัดตัวกูของกูขนาดกูตายแล้วเนี่ยกูยังไม่สามารถเดินไปวัดได้ในขณะที่เราตายแล้วกายมันดับลงร่างกายเรามันไม่รับรู้แล้วร้อนเย็นหนาว เ, เรามันไม่รู้แล้ว ในขณะที่ไม่รับรู้จิตวิญญาณมันก็ไม่รับรู้เหมือนกันมันดับลงแล้วเรือดฟานที่เรามันหมุนเคยหมุนเวียนอยู่เนี่ยมันก็ไม่หมุนเวียนแล้วมันมีแต่ความเย็นร่างกายเราก็แข็งก็แข็งกระด้างเหมือนคนตายเนี่ยแข็งเดชเลยงอก็ไม่ได้ยืดก็ไม่ได้ ก็เหมือนกับคนแก่ที่กําลังเสื่อมงอแข้งงอขาก็ไม่ค่อยจะออกรืมตาก็ไม่รืมตาอ้าปากปากก็ไม่ค่อยจะอ้ะเาเวลากินอาหารก็ไม่ค่อยอย่อยกินก็ได้น้อยนอนมากก็ไม่ได้มันเดี๋ยวนอนเดี๋ยวตื่นเดี๋ยวนอนเดี๋ยวตื่นกําลังวังชาก็หมดไปคิด ไปวนมาวนมาวนไปถึงแกจลาถึงตัวอันนี้จังเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเราพิจารณาเสร็จแล้วเราก็พิจารณาถึงมรณานุสติเมื่อเรามีการมรณานุสติอยู่เป็นเนืองนิดว่าเกิดแล้วก็ต้องแตะต้องแก่แล้วก็ต้องตายการเวทนาใจการการเวทนากาย ทั้งกายและใจก็หลุดพ้นจากอาสวะของความเศร้าหมองการเศร้าหมองก็คือความเป็นทุกข์นั่นเองเราก็เกิดวางทุกข์ได้ว่าโอโน้นอจะรักษาเหนี่ยวรั้งไว้ไม่ได้ร่างกายเราเราจะมีอะไรในโรคนี้มีความแน่นอนที่เป็นของเราบ้างนักปฏิบัติทั้งหลาย เมื่อมองเห็นความตายในข้างหน้าก็ไม่ประมาทร ะ, ะความชั่วมาประกอบความดีก็คือความคิดปรุงแต่งนั่นเองเข้าวิปัสนาและตกิณิสมถธิเข้าวิปัสนาก็คือจิตที่เป็นบริสุทธ์ก็มองเห็นพิจารณาว่าโอ๋เนาเหตุที่เราเกิดเนี่ยก็เพราะว่ากรรมแต่แท้ การเกิดของเรานั้นไม่ใช่เป็นเรื่องดีเลยเกิดมาก็ทำกรรมกับพ่อแม่อยากผีน้องผีปานอากว่าจะแก่ชราตายลงได้คนที่เป็นพ่อแม่ก็คงจะมีพิบัตกรรมที่จะต้องขัดเกลืเลี้ยงดูอุ้มห่อก็ต้มห่มห่อเราหาเสื้อผ้าอาพรหมอนม้งให้เราเนี่ย ตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเราไม่มีอะไรติดตัวมาพ่อแม่ก็พยายามหาที่หลับที่นอนหมอนมุ้งเสื้อผ้ากางเกงนอกกางเกงในเช็ดขี้เช็ดเดียวให้เราป้อนข้าวป้อนน้ำใช้เวลามากมายจนในขณะนี้ค่อยๆพิจารณาหาเหตุผลดูเข้าไปในจิตใต้สำนึก เมื่อเราละกายได้ก็พิจารณาจิตจิตก็คือหัวใจเรียกว่าจิตวิญญาณเมื่อกี้นี้เราพิจารณากายวิญญาณประกอบโดยดินน้ำลมไฟรวมทั้งอากาศาธาตุคิดไปเวียนมาตั้งแต่เกิดขึ้นมาตัวเล็กล้วก็เติบเจริญเติบโตมาเป็นตัวใหญ่กำยำแ ข, งข็งแรงเป็นหนุ่มเป็นสาว เมื่อเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเราก็ไม่เคยคิดว่าตัวเราจะต้องแก่แต่ตอนนี้เราเห็นแล้วรู้แล้วเมื่อเกิดแก่แล้วเราก็จะต้องเป็นทุกข์พบกะแก่ชราจะต้องป่วยไขย้เจ็บโน่น ôn, ปดนี่ร่างกายเราก็เหี่ยวแห้งแข็งแร ง, แ ง, แงน้อยลงหายใจก็หายใจก็ยังเหนื่อยกินอะไรก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับก็กลับมาที่สมถะอีก สมถะเมื่อเกิดขึ้นชานแปลว่าชินชินในการพิจารณาหาเหตุหาผลเมื่อสติแก่งกล้าขึ้นจิตก็ละเอียดอ่อนลงเข้าสู่สภาวะจิตวิญญาณที่สภาวะจิตที่เป็นบุญละกุศลก็คือปัญญาบารมีเมื่อจิตเกิดปัญญารู้เท่าทันสังขารร่างกายสภาวะเกิดเราก็ เห็นเลยว่าโอ้ปัญญาเกิดเห็นว่าเกิดเพราะกรรมเหรอนี่ในขณะที่เราเกิดเราก็สร้างวิบากกรรมให้กับพ่อแม่เห็นไมถ้าเราไม่มีจิตใต้สำนึกที่ดีเนี่ยเราจะนิดนึกถึงคุณงามความดีของพ่อแม่ไม่ได้เลยกรรมมันรเเรียกว่ากรรมมาบังตามันปิดตาปิดหูปิดปาก มันจังเปิดตาเปิดหูเปิดปากในเป็นเรื่องของกอกุศลอกุศลก็คือเป็นกรรมที่ไม่ดีพ่อแม่จะพูดดีอย่างไรเราก็รู้สึกว่าไม่เข้าใจไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติตามพ่อแม่พูดอย่างไรก็หาว่าพ่อแม่บ่นด่าว่าเราก็รู้สึกเกิดมโนกรรมก็คือทางใจ เกิดมีความเก็บกดใจไม่สบายใจเกิดเถียงพ่อเถียงแม่เกิดไปด่าพ่อด่าแม่โอ้นาถ้าเราพลาดพังไปด่าแม่ด่าพ่อพ่อแม่ที่พูดทุกถ้อยทุกคำเนี่ยก็จะอบรมขัดเกลาปัถนาดีกับตัวเรานั้นมาตลอดเลย เสื้อผ้าอภรรตหมอนมุ้งเราก็ไม่มีมาใครเป็นคนหาให้เราใครเป็นคนห่มให้เราเพ่งจิตไปนึกไปในขณะที่เรานึกแล้วเราก็เห็นคุณค้าของคุณงามความดีโอเนอกว่าเราจะโตเนี่ยพ่อแม่ต้องซักผ้าขี้ผ้าเยี่ยวอุ้มเรา หอมเรากอดเราป้อนข้าวป้อนน้ําทําไมเรามองไม่เห็นนึกไม่ได้กรรมมันปิดหูปิดตาเราเป็นมนุษย์หาว่าเป็นสัตว์ประเสริฐดีเลิศประเสริฐสีกว่าสัตว์อื่นๆใดๆอะไรเนอที่ทําให้เราเนี่ยนึกไม่ได้พ่อแม่ให้เสื้อผ้ามาเป็นคันลดสิบรอ เราลึกจะซื้อเสื้อผ้าให้พ่อแม่ซื้อถึงนองรองเท้าให้พ่อให้แม่ไม่เคยหม่หมห่มผ้าให้พ่อให้แม่เลยจิตใจเราทําไมมันหยาบก้านอย่างนี้ก็ค่อยคิดไปเมื่อเรามีจิตอันบริสุทธิ์จิตเราเห็นไม่ลังเลสงสัยคุณงามความดีเพราะจิตเราละเอียดขึ้นว่าเราใช้ชีวิตมาหนึ่งชีวิตเนี่ย เรายังไม่เคยป้อนข้าวพ่อแม่เลยเรายังไม่เคยหาน้ําหาข้าวให้พ่อให้แม่เรายังไม่เคยอุ้มพ่ออุ้มแม่เรายังไม่เคยกอดหอมพ่อแม่เราเลยเราไม่เคยเดินไปไหนจูงพ่อจูงแม่แต่สิ่งที่หลวงพ่อพูดมาเนี่ยพ่อแม่ได้พึงกระทําให้กับเราทั้งนั้น แต่ทําไมเราคิดไม่ได้จึงมีทิฏฐิมานะไม่มีเหตุมีผลไร้เหตุไร้ผลกับพ่อกับแม่เกิดมาเรายิ่งแข็งแรงยิ่งโตขึ้นพ่อแม่ก็ยิ่งอ่อนร้าลงแก่ชร า, าลงเมื่อคนแก่ชร า, าแล้วเขาจะไปแสวงหากําลังก็ไม่มีร่างกายก็เหี่ยวย่นกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับ กระส่ายกระสับห่วงลูกห่วงหลานเห็นไหมคนแก่พยายามตะเกียกตะกายหาบ้านให้เราอาศัยอยู่กลัวถูกน้ำถูกแดดกลัวลูกจะเป็นอันตรายเจ้าไปรากไม้ตัดไม้เจ้าไปกู้นี่ยืมสินมาปลูกบ้านปลูกช่องทําประตูหน้าต่างกลัวจะอึดอัดใจจะไม่สบายใจเร็ก ไปก็กลัวว่าลูกนั้นจะอับอายคนอื่นว่ามีพ่อมีแม่แล้วไม่มีป้ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีแทนไม่มีแผ่นดินจะอาศัยก็ต้องสแสวงหาซื้อพยายามสร้างพยายามรวบรวมกำลังกายทั้งสามีและภรรยาหาข้าวปลาอาหารภาชนะทุกสิ่งทุกอย่าง เขามาประกอบอาหารให้กับลูกปอนเสร็จลูกก็หนักบ้างเบาบ้างเคี้ยวก็ไม่ได้ต้องมานั่งบดเข้าไปพยายามหาอาหารที่เขาว่าลูกกินแล้วแข็งแรงจเจริญเติบโตพยายามหาเครื่องให้ลูกเนี่ยได้เห็นได้มองได้พัฒนาว่าจะได้ฉลาดร่วงรู้เท่าทันกับลูกคนอื่นเขา คนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยโคตรของโคตรลำบากเลยนับตั้งแต่รักกับพ่อกับแม่ชายรักหญิงหญิงรักชายเนี่ยก็เป็นทุกข์ทางกายแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราก็เป็นทุกข์ต่อพ่อแม่เราว่ากลัวจะผิดจะพลาดพังเพลอไปก็จะอับอายขายขี้หน้าไม่รักตัวสงวนตัวไม่ทะนุถนอม น้ำจิตน้ำใจกลัวจะไปได้สามีที่ไม่ดีกลัวจะไปได้สามีและภรรยาที่ไม่ดีมาคนที่เป็นพ่อแม่ก็เป็นทุกข์อย่างมากเมื่อเห็นลูกนั้นทาไม่ค่อยถูกทำนองกองทำปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยกายปล่อยใจวัยที่ยังไม่สมควรที่จะแต่งงาน พ่อแม่ก็พยายามกีดกันพยายามอบรมขัดเกลาว่าชีวิตคนเราไม่รู้จักทามาหากินเองไปได้กับคนที่ไม่ทามาหากินขี้เกียจตัวเป็นขนจะทำอะไรก็เชื่องช้าจะหยิบจะต้องจะทาอะไรก็ไม่เป็นมีแต่ความหอความสวย มันช่วยไม่ได้เหมือนกับคนแก่เขาบอกอเราก็ไม่รู้ความไม่รู้ก็คืออวิชามันครอบงำอวิชามันครอบงำวอวิชาก็แปลว่าความไม่รู้ก็คือความเสื่อมนั่นเองอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยเราก็เป็นคนโง่เขาเบาปัญญา เมื่อเราเกิดความไม่รู้เนี่ยไม่รู้เหตุรู้ผลก็เหมือนกันนักปฏิบัติเมื่อเราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติไปโดยที่ไม่รู้เหตุรู้ผลไม่รู้ตัวรู้ตนเห็นไหมตัวตนที่ก็เหมือนคนเราเกิดมาไม่มีสติรู้ตัวรู้ตนก็คือคนบ้า บ้านเท่านั้นที่มันจะกินขี้ของตัวเองได้ก็เหมือนเด็กที่มันเกิดมาเนี่ยตัวเล็กๆ เ, เนี่ยรามันอึกมาพอแม่ขึ้นจะต้องรีบเช็ดรีบร้างเพราะว่าเด็กมันไม่รู้เขาเรียกว่ามันไม่รู้ภาษาขี้ของตัวเองก็เล่นได้กินได้ไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นศกรปกไม่รู้ว่ามันเป็นอุจจละปัสาวะ พอหิวมันก็ร้องเด็กนะไม่เหมือนผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่เล่นขี้ได้นะผู้ใหญ่นี่ไม่ใช่ว่าเล่นของสกรปรกได้แต่จิตใจเนี่ยมันสกรปรกเห็นไหมมันต่างนละวเริ่มมีความแตกต่างเมื่อเรามองเข้าไปในจิตนึกคิดว่าโอ๋นะอเออที่หลุงพ่อพูดเนี่ยมันก็เรื่องจริง เราเกิดมาเนี่ยเราก็ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าให้พ่อแม่เราไม่เคยปูที่หลับที่นอนให้พ่อแม่เลยคนที่นั่งอยู่ในที่เนี้ยมีบ้างไม่มีบ้างเราก็ไม่เคยป้อนข้าวป้อนน้ําพ่อแม่เลยเช่นหลวงพ่อเนี่ยยังไม่เคยป้อนข้าวป้อนน้าพ่อแม่เยอะไม่เคยอุ้มพ่ออุ้มแม่ ยังไม่เคยมานั่งเฝ้าเหมือนกับพ่อแม่นั่งเฝ้าพัดวีมยุงไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมไม่เคยจริงๆพอพูดแล้วมันก็มีจิตใต้สำนึกรู้สึกนึกว่าผิดเหลือเกินอะไรมันมาทำให้เราเนี่ยมันมองไม่เห็นกรรมมันกากกรรมมาตั้งหลายพบหลายชาติ ไม่ต้องดูชาติไหนชาตินี้นี่แหละพ่อแม่ของเราเนี่ยก็ไม่รู้จักเหตุและผลเพราะไม่ได้เจอพระไม่ได้ไปวัดไปวาไปมันแต่โรงเรียนไปแต่โรงแรมไปแต่ที่สนุกสนานห้างร้านตรงไหนที่มันมีอาหารตรงไหนที่มันมีแสงสีเราก็ไป ตรงไหนที่เราไม่เคยไปเราก็อยากไปแต่ทำไมเราไม่อยากมองไม่เห็นในสิ่งที่เราควรที่จะเป็นมนุษย์สมบัติเรียกว่าความกรตันยูรู้คุณนี่แค่เสื้อผ้าเราก็หนาวแล้วแค่ที่อยู่อาศัยเนี่ยเราก็หนาวแล้วก็เราไม่เคยนึกเพราะเราไม่เคยถูกฝึก ใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวมึดมนเรียกว่าหูหนวกตาบอดตาก็บอดหูก็บอดปากก็บอดพอพูดทีไรก็ทำให้พ่อแม่เนี่ยขุ่นเคืองใจช้ำใจเสียใจเราในเถียงพ่อเถียงแม่บางคนถึงด่าพ่อด่าแม่บางคนถึงทำร้ายร่างกายพ่อแม่ ทำร้ายจิตใจไม่พอก็ทำร้ายร่างกายบางคนถึงกับฆ่าพ่อฆ่าแม่องค์สมมาสัมพุทธเจ้าบอกคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยห้ามบวชเลยตกนรกสถานเดียวเห็นไหมพทธเจ้ายังไม่เอาเลยคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยพุทธเจ้าห้ามบวชพอเป็นคนที่ตกอเวจี A G ขุมนรกไม่รู้ว่าขุมไหนเป็นขุมไหนทำไมถึงตกนรกเอาแค่โลกปัจจุบันเนี่ยชาติปัจจุบันเนี่ยตกนรกทางใจแล้วเมื่อเราเห็นว่าไอ้เนี่ยอีเนี่ยเนี่ยมันฆ่าพ่อฆ่าแม่เนี่ยเราก็รู้สึกว่าพ่อแม่มันยังฆ่าได้อะไรกับเรามันจะฆ่าไม่ได้ไม่มีใครครบหามนุษย์เป็นสัต สังคมเมื่อเรามีสังคมก็ต้องมีมนุษย์คนนั้นคนนี้อย่างที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยแต่ถ้าเราประกอบกรรมชั่วกับผู้มีพระคุณเนี่ยก็คือพ่อคือแม่เรียกว่าบุปภการีบุปภการีก็คือเป็นผู้เลี้ยงดูให้เราประกอบกรรมดีเลี้ยงดูให้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้ชีวิตก็ให้เรามา เห็นหั้มถ้าเราไม่มาปฏิบัติพึงประพฤติเนี่ยเราก็ไม่เข้าใจเรื่องปัญญาบาลมีแล้วเมื่อเราค่อยๆพยิจารณาหาเหตุหาผลต้นตอแห่งการเกิดเขาเรียกว่าเกิดเพราะกรรมนี่แหละต้องการกรรมตั้งแต่พ่อแม่การกรรมเลี้ยงดูเรามาถ้าเรามองไม่เห็นคนที่ดีที่สุดในโลกนี้ ก็คือพ่อแม่ยาปนาฏิาริย์นิพพานเลยนิพพังแน่นอนพระพุทธเจ้ายังสรรเสริญคนมีความกระตันอยู่รู้คุณเมื่อคนมีความกระตันอยู่รู้คุณเนี่ยพอถึงทางตันเนี่ยมันก็อยู่เทินกลับเช่นทำความดีเมื่อถึงที่สุดความดีก็จะกลับมา มองเห็นรู้สึกปรับเพ่มใจสบายใจแล้วถ้าเกิดเราทำกรรมชั่วเราก็จะต้องพบกับกรรมชั่วในที่สุดก็คือการกระทําการกระทําของเราที่ทำไม่ดีผิดกฎหมายผิดข้อบังคับตัวบทกฎหมายเราก็จะต้องหนีทางการหนีตํารวจมันมีความสุขที่ไหนเหมือนตกนรก เลวาทาเราทำกรรมดีกับพ่อกับแม่เมื่อเรามาเป็นพ่อเป็นแม่ก็ได้พบกับลูกที่ดีน่นมันเกื้อกูลกันอยู่เทินกลับมาเมื่อสมัยเรามีพ่อแม่เราดีต่อพ่อแม่เราไม่มีวัีกรรมกับพ่อแม่ก็คือด่าพ่อด่าแม่ไว้ลูกเราก็ไม่ด่าเราตอบ ในขณะที่เรามาเป็นพ่อแม่บางในขณะที่เราไม่เคยมีมนโนกรรมกับลูกไม่เคยคิดไม่ดีกับลูกลูกก็จะต้องคิดดีกับเราตลอดพอพูดก็เรียกว่าสอนง่ายอบรมง่ายเพราะถูกฝึกมาดีแล้ว กำดีมันส่งผลตั้งแต่สายเลือดเรียกว่าพันทุกข์กรรมเห็นไหมพัวพันไปเรื่อยเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อเข้าสู่สมถะแล้วก็เข้าสู่กายเราเสร็จเรียบร้อยก็เข้าสู่จิตจิตที่อันบริสุทธิ์มีเหตุมีผลมากขึ้นมองเห็นมากขึ้นเหมือนกับแสงสว่าง ตรงไหนสว่างมากที่สุดเราก็มองเห็นมากที่สุดชัดที่สุดตรงไหนมันมืดที่สุดเราจะแม้จะเอาเทียนเอาไฟฉายไปส่งจะเดินไปเดินมาจะมองอะไรจะทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่สะดวกสบายกับที่แจ้งที่สุดเหมือนดังคำองสมมาสัมพุทธเจ้าว่า เจ้ามามืดและเจ้าก็กลับมืดหรือเจ้ามามืดหรือจะกลับแจ้งคนที่มืดมามืดไปแสดงว่าอุตส่าห์ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ไม่สามารถที่จะรู้จักสะสมคุณงามความดี เมื่อเกิดมาก็ไม่รู้อะไรว่าเกิดมาก็ไม่รู้อะไรเลยไม่จาอะไรเลยไม่สร้างไม่สรรสัตว์แต่ว่าเป็นมนุษย์เนี่ยคำเขาบอกว่าสัตว์ว่าเป็นมนุษย์ก็คือร่างกายเป็นมนุษย์เนี่ยรูปนามเป็นมนุษย์แต่การปฏิบัติตัวตนของตัวเนี่ยก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานมันเป็นอย่างไร เห็นไหมเรามีปัญญาบารมีล่วงรู้คำสั่งสอนในพระอภิธรรมในธรรมคำขลังสอนของพุทธเจ้าตัวเป็นมนุษย์เนี่ยกายกายก็เป็นมนุษย์แต่จิตเนี่ยมันเป็นสัตว์เดรัจฉานมันเถียงพ่อเถียงแม่เห็นไหมสัตว์เดรัจฉานพอมันโตแล้วก็กัดต่อยตีเตะพ่อแม่เหมือนหมูหมากาไก่ โตแล้วมันก็ไม่รู้จักพ่อจักแม่เขาเลยเปรียบเสมือนว่าสัตว์เดรัจฉานที่เขาด่ากันว่าโอ้ยนี่มันชั่วเยี่ยงสัตว์มันเสร็จเดสัตว์เดรัจฉานมาเกิดแต่แท้พ่อแม่ก็พยายามกราบไหว้ทุกสิ่งทุกอย่างขอลูกขอให้เป็นคนดีแต่ไอ้ลูกเนี่ยตัวมันเป็นมนุษย์ตัวเป็นอย่างที่เราเป็นอยู่เนี้ย แต่ใจมันตกอใบยภูมิก็เพราะว่ากรรมเนี่ยมันมาจากพ่อจากแม่ปู่ย่าตายายเรียกว่าพันธุ ก, กรรมกรรมเนี่ยมันชักจูงสู่สภาวะสูงบ้างต่ำบ้างเหมือนกับสมเด็จพุทธจารย์โตท่านกรรมมือสองมือเนี่ยเทินกันความหมายก็หมายถึงว่ากรรมดีก็อยู่บน กรรมชั่วก็อยู่ล่างกรรมดีมันก็คือไม่ตกอยู่ในอบายภูมิในขณะที่กรรมปัจจุบันกรรมเราก็เห็นเลยว่าครอบครัวที่เขามีลูกดีมีฐานะดีมีสติมีสติปัญญาดีครอบครัวนี้เขาก็สบายกว่า เสื้อผาอาพรหมอนมุง้งบานช่องที่อยู่อาศัยอาหารยามป่วยไข้เขาก็มีแต่อุปกรณ์ดีๆก็เรียกว่าเศรษฐีข้าบอดีก็ต้องสะสมกันมาว่าหลายพบหลายชาติโรคเรียนเรียนก็เรียนจนจบเป็นด็อกเตอร์ทำงานก็เป็นเจ้าคนในคนมีปรกกาเร่มเดียวก็หาเงินได้เป็นหมื่นแสนล้าน โอ้หนาทำไมลูกเรามันเรียนก็เรียนไม่ได้รู้ ก, ก็รู้ไม่จริงจะทำอะไรก็จดๆๆจอดจอจ้องจ้องมันก็จนลงจนหลนไอ้เศรษฐีหรือจะมาได้อย่าจกเห็นใจมันน้อยมากคนเป็นเศรษฐีจะมาได้คนข้างถนนที่เดินเก็บขยะอยู่ในมันยากมาก ต้องเป็นบุปรกรรมบิบากกรรมเคราะกรรมอย่างแสนสาหัสนะที่จะลดตัวลงมานะไอคนที่เป็นยาจกเห็นใจก็คิดอยู่ทุกวันว่าเราน่ะอยากเป็นเทศรษฐีอยากได้สามีภรรยาที่เขาล่ำรวยมีรถยี่ห้อดีๆมีบ้านหลังใหญ่ๆมีแก้วแหวนเงินทองก็คิดปรุงแต่งไป ตังคนตั้งปรุงแต่งต่างคนตั้งคิดนึกสภาวะปรุงแต่งขึ้นมาเองทางนั้นคนที่จะเป็นเศรษฐีได้เนี่ยเขาจะต้องให้ทานบา ร, รมีทำบุญสุนทานไว้ประกอบกรรมดีไว้รักษาศีนก็มีหน้าตาผิวพรรณที่ดีเพราะคนรักษาศีนดีศีนก็คือความสำมรวมทางกาย วาจาใจให้ถึงพร้อมเมื่อเราสำรวมทางกายวาจาใจแล้วเนี่ยใจเราไม่มีอคติใจเป็นมนุษย์สมบัติก็รู้ผิดถูกชั่วดีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่สำรวมทางกายวาจาใจก็ไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานก่อเกิดเกิดมาก็ไม่มีสติปัญญาเกิดมาในตระกูลดี ก็ประพฤติ ช, ชั่วปฏิบัติชั่วตัวตนเนี่ยพึ่งพาไม่ได้ลางผานพ่อผานแม่เรียกว่าลูกเวนลูกกรรมที่เขาเรียกกันเนะ่ยไอ้พวกนี้เกิดจากลูกเทวดาไอ้นักล่องมันล่องตอนนี้ไอ้เทวดาอ้เทวดาดูเสื่อมโทมมากบ้านก็ไม่มีรถก็ไม่ได้ผัวเมียก็เลิกลากันบ้านแตกแสหละขาดเพราะการกระทำหาว่า คนนั้นชั่วหาว่าคนนี้เลวมันเลวกับฉันอีนั่นมันเลวอีนี่ไอ้นั่นแต่เราไม่มีสติคิดอย่างที่หลวงพ่อบอกเรียกว่าปัญญาบรารมีเมื่อเรามีปัญญาบรารมีแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่มีปัญญาเนี่ยนับว่าหาค่าไม่ได้ มันจะต้องสะสมบุญละกุสลไว้บุญคือความว่างเปล่าเมื่อเราเกิดมาเนี่ยคนมีบุญเนี่ยก็ไม่เครียดมากนักแล้วก็ไม่เป็นทุกข์ต่อทรัพย์สมบัติไม่ทุกอย่างไงคนที่เกิดมามีบุญก็เกิดมาอยู่ในตระกูลที่มีกินมีใช้ตระกูลที่มีกินมีใช้ ก็จะเป็นทุกข์อะไรมากมีลูกหลายคนก็ไม่เป็นทุกข์นะมีไปไหนก็มีฆ่าท่านบริวารมีคนใช้เก็บกวาดปลางโถเช็ดให้มีลูกก็มีคนอื่นเลี้ยงให้ไม่เหมือนกับคนที่มีเกิดในตระกูลที่ตำ่ำพ่อแม่ไปทำงานยังต้องเอาเชือกมัดขาลูกไว้ กลัวมันจะไปโน่นไปนี่หาเช้าหมดเย็นได้เย็นหมดเช้าพอได้เงินมากหน่อยของก็เสียของก็หายบ้านที่สุกหัวนอนก็จะเก่าวัยผุวเอ้อ ม, มันแปกไอ้คนจนเนี่ยมันเสื่อมโทรมไปทุกอย่างร่างกายก็หยาบก้านความคิดกับประพฤติกรรมก็ไม่ ไม่เหมือนมนุษย์หลบๆซ่อนๆพอหากินไม่มีพอปากพอท้องก็ลักขโมยปนจีผัวเมียที่เคยรักกันก็อดทนลำบากกาบกรรมไม่ไหวต้องเลิกลากันลูกกันหลายพ่อเมียก็หลายคนออกมาไม่รู้ว่าลูกใครเป็นลูกใครหลานใครกันหลานใครจะอยู่ตรงไหนก็เกิดความตะเลาะเบาแวงขัดแย้งกันตลอด เรียกว่าเราตกอยู่ในอวบัยของผมนี่คือนรกไม่มีใครปรารถนาความทุกข์ของตัวเองปรารถนาความยากจนไม่มีใครติดป้ายเลยชีวิตขอเป็นคนจนตลอดชีวิตไม่มีชีวิตจะขอเป็นคนชั่วตลอดชีวิตไม่มีแต่เราได้สร้างกรรมดีกรรมชั่วไว้นั่นแหละ เกิดมาไม่รู้ตัวรู้ตนพ่อแม่เรายังไม่รู้สติปัญญาเราก็เรียนรู้อะไรรับรู้อะไรก็ไม่ได้จดจำคุณงามความดีก็ไม่ได้เดีย๋ยวว่าจดจำเลยนึกยังนึกไม่ได้เลยบอดไหมตาเมื่อตาบอดหูหนวกไม่พอพออ้าปากมาก็มีแต่เรื่อง เรียกว่าว่าจีกรรมคือพูดหยาบเพราะจิตมันคิดหยาบการกระทามันก็ต่ำลงต่ำลมไม่ต่างกับสัตว์เดรัจฉานเพราะนั้นนักปฏิบัติทั้งหลายเมื่อเข้าสู่สภาวะกายกับจิตเมื่อเราพิจารณากายจนได้รู้เหตุรู้ผล เมื่อเรารู้จักเหตุจากผลแล้วปัญญาก็เกิดเรียกว่าจิตวิญญาณกับกายวิญญาณจะแยกส่วนกันทันทีแยกแบบไหนเดี๋ยวก็หาว่าหายถอดจิตได้อีกถอดสลักความชั่วหยาบของกายได้เห็นเหตุคนเรามันนึกถึงความตายบรณนามนุสติแล้วคนใกล้ตายนี่ยมันไม่เอาอะไรแล้ว ก็เหมือนเราเนี่ยพอมรณ า, านุสติพิจารณ า, าเราก็ไม่อยากเห็นแล้วไม่อยากได้แล้วตัดตัวตนีที่เหนียวตัดตัวโรคโมโตสันออกความโรคเบืเหนือน้อยก็มีเมตตาเข้ามาแทนจิตที่เคยหยาบก้านแข็งกระด้างตัวเมตตาก็เข้ามาตัวก ร, รุณาสงสารตัวเองสงสารผู้อื่น อยากจะบริจาคอยากจะให้คนอื่นมีความสุขเหมือนเหล่าบ้างก็เหมือนอย่างลุงพ่อเนี่ยแม่ชีพระเนี่ยได้อนุเคราะห์เกื้อกูลญาติโยมสร้างทุกสิ่งทําทุกอย่างให้แม่ชีก็ทําสํำรับกับข้าวอย่างดีเพื่อจะให้โยมเนี่ยได้อุปโภคบริโภคอย่างมีความสุขที่อยู่ร่วมกันคนเป็นหมื่นเป็นแสนล้านล้า น, ล, านล้านคน หลายจังหวัดในบ้านเราก็มีพี่มีน้องหลายคนทําไมเราได้มาบวชคนเดียวทําไมเราได้เดินทางมาประพฤติปฏิบัติจึงไม่มีคนอื่นตามมาเขาบอกว่าบุญนํากรรมแต่งบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเกิดมาวัดเขาอิตธิสุกโตเขามีการประพฤติปฏิบัติกันพอดี ว่าจะมาวันเดียวปาเข้าไปสองวันสามวันบุญมันส่งเสริมเห็นไหมเ็าเรียกว่าบุญส่มเสริมเพินเราอะอย่าว่าจะมาไปดีๆจะไปประพฤติปฏิบัติแค่ก้าวขาวออกจากบ้านนั้นเนี่ยทั้งผัวและเมียทะเลาะกันด่ากันห้ามปาลามกันลูกเต่าเกิดป่วยไขย้รถเกิดเสียเดินทางนี่มันคลุกคลักกรรม กรรมก็คือหมายถึงว่ากากกรรมพอจะไปทากรรมดีมันก็คนก็มองไม่เห็นไม่เชื่อใจว่าจะไปวัดคิดว่าจะต้องไปอย่างอื่นคิดว่ามันจะต้องไปทำอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนที่เราถูกเขาไม่ไว้วางใจในขณะเราทาดีเขาก็ดา่าเราว่าเราเขาไม่เชื่อเราก็เพราะว่าเราเนี่ยเคยมีวัดจีกรรมไว้ มโนกรรมไว้กับการกระทําที่เป็นอยู่อยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไปเจอสามีภรรยาที่ไม่มีเหตุมีผลกระทำเราเนี่ยตกนรกทั้งเป็นเมียก็ไม่รักผัวผัวก็ไม่มรักเมียมีพ่อแม่ลูกก็ไม่รักพ่อรักแม่พ่อแม่ก็ทิ้งฝั่งลูกไม่รักลูกของตัวเองแก่คิดก็รู้สึก ใครอยากขยายใจแล้วแค่นึกมันก็โอ้โหนึกไม่ออกนะือว่าอนาคตจะเป็นยังไงคนที่เกิดมาแล้วเจอสภาพอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อในสอนสมถะและวิปัสสนาปัญญาคือความรอบรู้ในชีวิตของตัวเองปัญญาในความรอบรู้ในกองสังขารของตัวเอง ว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่ไว้ไม่ได้ก็ต้องเสื่อมสลายเหมือนอารมณ์เรานั้นปรุงแต่งทุกเรื่องทุกกล่าวหาเหตุหาผลมองน่นได้ยินนี่เมื่อเกิดขึ้นแล้วปรุงแต่งเมื่อปรุงแต่งถ้าเราไม่มีสติมีปัญญาก็พิจารณาไม่ได้ก็เกิดไปติดตาติดใจเข้าความทุกข์ก็จะเกิดขึ้น เมื่อเราหาเหตุหาผลมองตัวเองว่าด้วยเหตุและด้วยปัญญามองไปพิจารณาไปทุกวี่ทุกวันรู้เขารู้เราบางคนก็อ้างว่าหลวงพ่อเนี่ยมีหูทิพตาทิพมีจิตเป็นทิพสามารถรู้ใจผู้อื่นก็รู้ตัวจนชํานาญอย่างนี้แล้วทําไมชํานาญจะมาอธิบายให้เราฟังได้อย่างไร เพราะฉะนั้นต้องเป็นคนที่มีสติมีปัญญาพิจารณาหาเหตุหาผลชานแปลว่าชินชินต่ออารมณ์ในการพิจารณากายในกายเรียกว่าสมถะวิปัสนาเรียกว่าปัญญารุน่รนรนเมื่อมองตัวเองพิจารณาตัวเองหาเหตุหาผลมนุษย์มันต่างกันตรงไหนมันต่างกันที่จิตใจนั่นเอง เมื่อเราพิจารณาจนชาญแปลว่าชินยานแปลว่าอย่างรู้เมื่อเรารู้ตัวรูตนจนชินจนชาญแล้วมองเห็นโอ้หนาคนอื่นคงไม่แตกต่างกับเราแค่มองหน้าก็รู้ใจแล้วมองตานี่ก็เข้ า, ขาไปถึงดวงดวงใจเรียกว่าดวงจิตเขาเรียกว่าแกวตางคือดวงใจนั่นเองมองเห็นกายก็รู้แล้วว่าโอ้เนอะคนนี้ทำวิบากกรรมอย่างไรมา จึงเดินเหินแบบนี้กระตุ้งกระติ้งกระดองกระเดงคนนี้ทำไมหัวเราะเสียงดังทำไมคนนี้ตากดตาเก๋หูหนวกตาบอดทำไมคนนี้นิ้วแก่คนนี้ทำไมจึงปวดแข้งปวดขาก็าเราพิจารณาตัวเราเห็นหาเหตุหาผลแล้วว่าคนนี้ยังไม่แก่เลยขายังเดี้ยงขนาดนี้แลเถ้าแก่เนี่ยมันโอ้โหทรมานมากอนาคต ก็คืออนางอนั่นเองคนนี้มีประพฤติกรรมชั่วยาบคิดเอาไร่เปียบพ้นอื่นอนาคตก็ไม่มีบริวารบารมีเพราะตัวเองเห็นแค่ได้เห็นแค่ตัวก็มีแต่คนชั่วอยู่ข้างเคียงมีแต่คนเกียจคนชังชั้นใดชั้นนั้นมองเห็นชัดเจนน้าใส ย, ย่อมมองเห็นก้นน้าขุ่นยิ่งมองไม่เห็นอะไรเลยสัตว์ว่าเป็นน้ำ กินก็ไม่ได้อาบก็ไม่ได้จะทำยังประโยชน์ก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเชา้ชาๆและวันนี้ก็ผ่านไปอีกเช้าหนึ่งวันหนึ่งก็ยังเหลืออีกหนึ่งลาตีก็อีกหนึ่งวันนะเราก็จะหมดแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ไปพิจารณาหาเหตุหาผล ให้รู้ตัวรู้ตนไปประพฤติดีปฏิบัติชอบและท่านจะได้รู้เองว่าการที่เรามาประพฤติปฏิบัตินั้นมันได้ประโยชน์จริงๆเราสามารถเป็นคนที่หลุดจากอาสวะความคิดที่มัวห ม, มองก็คือกิเลสได้เมื่อเราหลุดได้เท่าไหร่หน้าตาเราก็ ส, สดใสผ่องใสใจเราก็ผ่องใส เมื่อเราตกอยู่ในอบายภูมิเราก็อยู่ไปรอจนวันตายเขาเรียกว่าเกิดมาเนี่ยมามืดก็ต้องกลับมืดเพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงรวบรวมกำลังจิตกำลังใจได้มีการพยายามพิจารณากายในกายอยู่เป็นเนืองนิดพยายามหาเหตุหาผล มองเหตุมองผลที่เกิดจากตัวตนของเราอย่าได้ไปมองเหตุมองผลมองกายคนอื่นอย่าได้ไปรู้ถึงเรื่องของคนอื่นเราก็จะรู้สึกว่าเราสบายกายสบายใจบุญคือความว่างเปล่าบาปคือความว้าวุ่นใจเรียกว่าสวรรค์อยู่ที่อกนรกอยู่ที่ใจนั่นเองก็ขอเจริญพรค่อยๆทอนกับมาฐาน หายใจให้เป็นปกติเพื่อจะได้กวดน้าสืบต่อไป